นันนัยยะที่สี่เนี่ยมีวิธีพิจารณาอยู่แปดในพิจารณาแปดใน8ปดวิธีอย่างนั้นแพอนัยยะที่ห้านัยยะที่ห้าก็แบบแบบสัตตถฐานสูตรเนี่ยเนี่ยเอ่อมาจากคำว่าสัตตถ ฐ, ฐ, ฐานะฐานะแปลว่าเหตุสัตตถแปลว่าเขาเลยเรียกว่าซ้อนมา มันวักเดียวกันก็เลยซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทอฐานแล้วก็มีตัวอะไรอยู่ข้างหน้ามันจะต้องมีต่อประตักอันนี้คือสูตรของเขาเหมือนกับอะไรนะชอชิงถ้าชอชิงแล้วมีอะไรอยู่ข้างหน้านะข้างหน้าต้องเป็นจอจานสูตรเขาเป็นอย่างไ้ถ้ามีขอไข่อยู่ข้างหน้านะถ้ามีศั์อย่างอื่นมาต้องมีกอไก่ก็สูตร บ, บาหลีเขาเป็นยางไงไหนเน้น เาเรียกว่าซ้อนเนี่ยนะซ้อนการซ้อนคำมันวิธีที่ห้าสัพตะฐานสูตรก็คือทุกอะไรทุกขะสมุทัยทุกขะนิโรธเนี่ยนะทุกขะนิโรทะขามินีปฏิปทาอาศทะอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะนยยะนี้ก็ เพิ่มมัชมาเป็นพิเศษนะทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาเนี่ยเพิ่มเพิ่มมาริยมัชนะวาระก่อนไม่มีมัชทีนี้นิการก็มาเหลือแค่สองคำนะเนี่ยทุก็สองคำทุกกับอาทีนวะกันทุก ข, ก ข, กขสมุทัยกับอาสาทะคืออันเดียวกันเนี่ยนะทุกขานิโรธกับนิสรณะก็คืออันเดียวกันก็คืออริยสัจสีอีก ปริยายหนึ่งเนี่ยนะเอกปริยายหนึ่งซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะมีวิธีการแสดงแบบแบบที่หนึ่งก็มีแสดงแบบที่สองก็มีแสดงแบบที่สามก็มีแสดงแบบที่สี่ก็มีแสดงแบบที่ห้าก็มีหรือแสดงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะส่วนเวพาะส่วนก็มีเพราะฉะนั้นที่มาของการตั้งสูตรนี่เรารู้เลยว่าวิธีตั้งสูตรมาอย่างไงเช่นวันนี้ปริชาณสูตรเขามีศัพท์ที่ใช้แทนคําว่าปริญญาหลายคํานะ ปริชานะเนี่ยเขาสามารถใช้แทนได้เกี่ยวกับเรื่องละเรื่องรู้เรื่องแจ้งเรื่องอะไรก็ว่าไปก็เป็นการเอามาตั้งชื่อสูตรถ้าใครเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะจริงๆแล้วสังยุตตนิกายจะอ่านค่อนข้างไม่ยากนะสังยุตตนิกายนิธานวัคเออเขไปสังยุตตนิกายนิธานวัคสลายตนาวัคขันทาวรวัคเป็นต้นนะโครงสร้างเป็นไปตามนี้หมดเลยวันนี้ผ่านไปกี่รอบแล้ว ห้ารอบทีนี้<ต>อาจารย์ถามอาจารย์ค่ะในในรอบที่ห้านี้ข้อเจ็ดนิสระณะนี้หมายถึงเฉพาะนิพพานหรือทางอริยมรรคและนิพพานด้วยคะ่ะหลายแห่งกล่าวถึงมรดุด้วยพอรอบที่หกรอบที่หกนี้ก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติจริงๆเลยอนุปัสนาเจ็ดนะถ้าจะบรรลุข้อปฏิบัติอยู่ตรงนี้อ่า บุคคลใดมีอนุปัสนาเจ็ดบุคคลนั้นเรียกว่าอนุปสีนะอนุปัสนาตัวนี้หมายถึงปัญญาอันนี้หมายถึงบุคคลตรงนี้เรียกว่าสมมตินี้เรียกว่าประมัติอันนี้เป็นเอเอเที่เรียกว่าอะไรนะอันนี้อีกชื่อหนึง่งเรียกว่าสภาวะนะใช้คาว่าสภาวะดีกว่า จริงๆสภาวะของเพราะว่าเป็นปัญญาใช่ไหมบุคคลผู้มีปัญญาเป็นโวหารเรียกว่าอนุปสัสสีทีนี้ถ้าบุคคลใดอ่นนะอนุปัสนาตัวนี้ถ้ามีรูปขันนําหน้าอ่านนะรูปขันอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากายเพราะแปลว่าที่ประชุมกายบวกอนุปัสนาก็เป็นนุกายานุปัสนา ผู้ใดมีกายานุปัสสนาเรียกว่ากายานุปัสสีคือผู้มีกายานุปัสสนานก็รู้เบื้องหลังเกี่ยวกับคำไม่นิ่งๆหน่อยๆจะได้ไม่ลาบากใจเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติจริงๆนะนะตามเห็นทุกเนี่ยโดยอนุปัสนาเจตตามเห็นทุกโดยอนุปัสนาเจอันนี้พูดแบบคลุมคลุมจักรวาลไว้ก่อนเนี่ยนะคำว่าทุกเนี่ยเป็นคารวมของกาย เวทนาจิตธรรมอ่ะนะอนิจจานุปัสสนาตามเห็นทุกโดยอนิจจานุปัสสนาก็คือตามเห็นกายโดยอนิจจานุปัสสนาตามเห็นกายโดยทุกขานุปัสสนาตามเห็นกายโดยอนัตตานุปัสสนาตามเห็นกายโดยนิพพานุปัสสนาตามเห็นกายโดยวิราขานุปัสสนาตามเห็นกายโดยนิโรธานุปัสสนา ตามเห็นกายโดยปฏินิสขานุปัสนาถ้าถ้ามองให้ดีๆเนี่ยผู้ที่จะบรรลุทั้งห้าวรระที่กล่าวไปเนี่ยนะจะต้องบรรลุโดยอนุปัสนาเจตตามเห็นอย่างเช่นตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงรูปก็คือกายเวทนาตรงตัวจิตก็วิญญาณทมก็คืออะไรสัญญากับสังขาร ก็คือตามเห็นขันห้าปริยายอีกชื่นหนึ่งของขันห้าคือกายเวทนาจิตธรรมฉนั้นตามเห็นรูปคือกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นรูปคือกายเนี่ยโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นรูปหรือกายโดยโดยเป็นอนัตตาตามเห็นรูปหรือกายโดยเป็นของหน้าเบื่อหน่ายปกตินะถ้านิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาบริบูรณ์เนี่ยจะบรรลุ อ่าถ้า4ประการบริบูรณ์จักบรรลุวิราคาถ้าห้าประการบริบูรณ์จักบรรลุนิโรธานุปัสสนาถ้าหกประการบริบูรณ์จึงจักบรรลุปฏินิสสคานุปัสสนาเป็นตัวอ น, นิจัทงทุกขังอนัตตานี้จะว่าสิ่งเดียวกันก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตานะนะ มันตามเห็นอออย่างว่าเห็นบางคนนะเห็นสิ่งเดียวกันไม่เที่ยงเพราะอะไรขยะสิ้นไปขยะนะแปลว่าหมดสภาพและเสื่อมสภาพแล้วแต่ก็จริงไหมกายเนี่ยไม่นานเดี๋ยวก็หูหนักกับขยะอีกที่เห็นเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือพยาภัยภัยอ่ะนะพยาภัยน่ากลัวมากะนะเป็นอนัตตาก็เป็น อ่ะสาระท้าไมมันไม่มีสาระก็สิ่งใดมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันมีแก่นได้ยังไงสิ่งใดมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะเป็นสาระได้ยังไงก็ไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงอันเห็นสิ้นไปหรือเห็นโดยความเป็นภัยหรือเห็นว่าไม่มีสาระคือสิ่งเดียวกันบางคนนี่อย่างว่านะบางคนมองชีวิตเนี่ยอันนี้จังคือเดี๋ยวก็หมดสภาพแล้วนะไม่นานเนอะร่างกายนี้จะท่วมทับซึ่งแผ่นดิน อันนี้จาวัตสังขาราอย่างเงี้ยอันนี้คือว่าเห็นว่าโอ้ไม่นานจริงๆชกมันไม่นานจริงๆหยาดน้ำค้างบนยอดย่าแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาเนื้อชิ้นเนื้อที่อยู่ในกระทะเหล็กที่เผาไม่ร้อนตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยแม่โคที่ไหลไปสู่โรงฆ่าสัตว์สมัยเมื่อวานดูภาพหนึ่งไก่ที่ไหลไปตามรางที่เขาจะชำแหละ I, ก็ไล่พวกไก่พวกโคพวกอะไรนะก็มีโรงเดี๋ยวก็แยกอะไรชิ้นส่วนหมดอะ่ะเพราะเห็นโดยความเป็นภัยแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยก็มันน่ากลัวเมื่อตามเห็นโดยอันนี้จังทุกขังอนัตตามากๆปกติก็นํามาซึ่งความเบื่อหน่ายไม่น่าเพลิดเพลินอะไรเลยหนอจะเพลิดเพลินอะไรอยู่หนอเมื่อวัตถุนั้นอะ่ะสิ้นไปจะเพลิดเพลินอะไรอยู่ในวัตถุที่มีภัย เพลิดเพลินทำไมในวัตถุที่ไม่มีสาระก็เลยไม่เพลิดเพลินอนั้นแหละเรียกว่านิพพานุปัสสนาไม่น่าเพลิดเพลินแม้แต่อันเดียวเลยเนี่ยนะอย่างที่ว่ากุการก็มีวิธีเจริญไอนนิพพานนี้ดีเหมือนกันนะนี่เห็นมันน่ารักตอนเด็กๆเดี๋ยวมันโตไปแล้วจะรู้สึกอันนี้ก็คือกลุ่มนิพพานนะเห็นโทษเลยขึ้นมาเลยนะมองเห็นโทษเลยขึ้นมาทันที ก็ให้เห็นว่ามันน่าเพลิดเพลินในตอนแรกนะแต่ถ้ามองอย่างตลอดสายจริงๆแล้วจะรู้เลยใช่ไหมเหมือนกับผู้ที่สร้างอะไรสนุกๆเนี่ยและจะรู้ถึงภาระในการรักษาเนี่ยนะเห็นภาระในการดูแลในการรักษาเป็นต้นเนี่ยจะเริ่มรู้ให้สแสวงหาให้ได้นี่มันก็ทุกหนักหนาอยู่แล้วนะแต่ว่ารักษาทุกข์กว่านั้นอีกอนะคือตอนสแสวงหานะมันยังมีตันหาคล้าวบ้างเลยใช่ไหม มันมีความหวังใหม่ๆไปเรื่อยนะมันยังดูสนุกบ้างแต่อารักษาเดี๋ยสิมันมีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงหมดสภาพทุกวันอย่างงี้นะอันนี้แหละมันไม่รู้จะหน้าเพลิดเพลินทำอะไรถึงรักษาได้เป็นอย่างดีถามว่ามีสาระตรงไหนอ่ะทุ่มเททุกอย่างในการดูแลปกปักรักษาถึงกับยอมทาบาปนะสมมติว่าอย่างว่าหวงแหนเลือเกินไอ้กระถางกุหลาบกระถางเนี่ย หวงแหนว่ายุงมาฉีดยาฆ่าอะไรดูแลหมดเลยถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรที่หวงขนาดนั้นเลยนะดูแลเต็มที่ปกปักรักษาโยมเดือดร้อนมากเลยได้ประโยชน์อะไรอันนี้แหละที่เรียกว่าอาสาระเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นนี่แหละเป็นไถ่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นไถยสิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นไัยด้วยสิ่งนั้นไม่มีสาระก็คือสิ่งเดียวกันยนะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นไทยสิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นไทยด้วยไม่มีสาระนะะเชื่อไหมเราดูแลมันทุกวันนะดูแลมันน่าดูเลยนะเดี๋ยวอูย้ยเอาอกเอาใจมันมากนะก็นั่งทํำท่าเปิตๆน<อ>ั่นแหละก็สะรุปรวมๆแล้วมันน่าเบื่อหน่ายอย่างมากเลยนะถามว่าน่าเบื่อหน่ายเนี่ยควรไหมที่จะควรไหมที่จะยึดถือควรไหมที่จะยึดถือราคาเนี่ยหมายถึงว่า พูดแบบภาษาหนึ่งเรียกว่ากาวไปแปะเลยนะติดขนาดนั้นอนะ่ะควรไหมที่จะไปติดอะไรในตัวทุกขนาดนี้ไม่ควรไม่ควรติดเอาโดยประการทั้งพวอเมื่อมันไม่น่าเพลิเพลินแล้วจะไปติดทําอะไรเมื่อไม่ติดนะต้องการสร้างขึ้นใหม่อีกไหยต้องการสร้างไหมมันก็เห็นโทษของการก่อสร้างวัตถะุทุกครั้งเลยอย่างถ้าเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยนะที่เราเรียกว่าท่านนอนแค่วันละสีชั่วโมงเนี่ยเมื่อก่อนนะขอมาฟังแล้วทําได้ไง เราไม่เห็นประโยชน์เลยมันต้องหลับบ้องนอนบ้างปีอย่างเงี้คิดตามภาษาคนที่ไม่ค่อยเบื่อในวาตฏะเนี่ยนะเห็นว่าวัฏฏะเย็นสบายไม่รู้จะรีบไปทํำอะไรจะรู้เลยว่าถ้าไม่รีบเนะี่ยแม้กระทั่งเรานั่งเฉยๆก็คือนั่งสร้างวาตฏะเดินไปสร้างวาาัถะนอนสร้างวาตะอะไรสร้างวาตะรวมสรุปเนี่ยนะลืมตาเพื่อดูสร้างวาตฏฏะอันนี้คือคือกฎเกณฑ์เขาเป็นอย่างนั้นวัฏฏะนะได้ยินเสียงเนี่ยคือการสร้างวาาัฏะ รู้กลิ่นคือการสร้างวตถะรู้รสคือสร้างวัตะคิดอะไรไปก็สร้างวัตถะถ้านอนหลักสนิทก็นอนเศร้าวตถนะ ก, ก็อยู่อย่างนี้มันก็เป็นไปในวัตะเพราะฉะนั้นออกได้ยังไงที่สุดเขาจึงไม่ต้องการสร้างเรียกว่าตามเห็นด้วยความดับทีนี้ถ้าจะดับได้มันต้องรู้จักบริจาคปฏินิสค า, านุปัสนาเนี่ยนะคือการเริ่มบริจาควัตถะล้เริ่มบริจาควัตะ เออนะคือข้อปฏิบัติในศาสนานี้นะ ถ, ถ้าใครฝึกคิดนะเอาเอาธาตุกรรมฐานนี่มาคิดดูเช่นเอาธาตุสีคือปัทวีอาโปเตโช ว, วาโย ο. ถ้าเอามาจับนะให้ทานให้อะไรปักท้าโ้ยสวยงามมากวิจิตรประณีตบรรจงเบื้องหลังของผ้าคือมาพูดให้ทานก็บริจาคมหาพูดรักษาศีลอุโบสถไม่ทานเท่าเย็นก็ เว้นจากมหาพูดจะไปยุ่งกับมหาพูดให้มากนักลดลดไหว่ามหาพูดนอรายมากย